<Book> สามไทรการทำความรู้จักเอีเยอเเนรู้ที่ไเีสวัสดีค่ะไห้สวัสดีค่ะ สบายดีไหมคะวอเนโก้ที่คุณมาจากยุโรปใช่ไหมคะคอมยยุปคุณมาจากอเมริกาใช่ไหมคะคอมมอนดูฟรายอเมคุณมาจากเอเชียใช่ไหมคะอมมอนายอเช คุณพักอยู่โรงแรมอะไรคะวิลเกิลโฮเทลบูร์ร์ดคุณอยู่ที่นี่นานเท่าไรแล้วคะว่าเล้ง์ฮาร์ทูเวเออร์คุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไรคะว่าเล้ง์คลีฟอร์ดูคุณชอบที่นี่ไหมคะาไหมคะ คุณมาพักผ่อนที่นี่ใช่ไหมคะเอ็ดูเฮร์พัเฟยมาเยี่ยมดิฉันบ้างนะคะดูเอร์วลคอมนที่ี่ิัคือรอมนที่อ่ย่ดิฉันงคดอที่ะท่มาเดิฉันค่ะเร์อ์มาพบกิันพดรุ่งเนีาัน้ดรนีไหีมมคะดูเวมีมน ขอโทษนะคะพรุ่งนี้ดีฉันไม่ว่าง ย, ายา้ลาลาก่อนค่ะฝา ล, ลาก่อนค่ะกนินแล้วพบกันนะคะซีส